สันที่สามพระรานต่าชีนาสกสันที่สพระอนาคามีสันที่หาพระเจคัทท่าฆามีสันที่หกพระโชดาวันสันที่เ็ดพระมหาเทระที่เป็นโลกีเบื้องว่าโม่เฮาทั้งหลายจะทำเพียเพิินโดยกายกับคำสามกี่คำสีมโนคำสามอันใดอันหนึ่งก็ดีโดยเดีพระมหาเทระทั้งหลายเราหนั้นทรงอัศวแก่ม่เฮาอยู่งเรามมีประมาณ จากตเภาขอสู้กันในภาคฝนจากทุกในวัตนธรรมสารยุทุลงมามมีประมาณนั่นก็ขาเถืนอนห้างตุง้มเทียบหิบเดียวเดียวในระหว่างมูฮั่าทั้งหลายใครเนี่ยทำเพี้เดียกันโดยกายกับสามวิชีกับเชี่ยกโนกับสามมั น, น, ดนได้นึงก็ดีได้จะพลดกรสากกรมากด็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีมูฮั่าทั้งหลายจงให้หอหสิกรรมแก้กันแล้กันทุกปันหาวแวทั้งแต่โกธาตุยุติลงมามีประมาณนก็ขาเถือนห้างตุ้มเียบหิบีเมคมีธรราะ เยวังตเยวังตจักเบมจิตปัจจโนะปัมมะัติโสมังโลกัวสิตโอัตยันติมายัะังกตังกมงสัลนะปัญญติโสมังโลกัวพาสตโัตยันติมาอิวาทนีดิสาเนังทาายโจัตามาวนยวนสขังะมโตมสียองนี่แนห โตยูผู้ก่อนน้ำท่านหน่อยเนี่ยบ่โอ้เขพอใจบ่เป็นดูท่านน้นำท่านคนเนาะเขาอยู่บ่มีที่พึงมันมาเป็นเครื่องอบอุ่นบุคคลผู้ถึงพระพุทธธรรมประสง์เป็นชาธารณะคมผู้นั้นกระไ้บุญยังบ่มีกระเวง้งหนึ่งคืน เพราะอารมณ์ของพุทธนะมันก็ไปได้พราะุณพระธรรมพระสงฆ์เลยคือไดบ่ถือพราะุณพระธรรมพระสงฆ์บ่ถือพระพุทธศาสนาเป็นอารมณ์เป็นเครื it, okay? ่องูพุนก็ได้บาบอยู่ว่มีกระวดนเคลอนพราะอารมณ์ของพุทนมันไปทั้งบาบเลยมันเบอร์เด็กว่าสีฝันว่าสิเหลื่อมใสต่อพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าือก็เหลื่อมใสพระุณพระธรรมพระสงฆ์ก็เหลื่อมใสไใจได้สัทธาของเฮาอันนี้เพราสงฆ์ก็ยุ่งไิดได้ใจเขงเฮาประโยบนอื่นเขาถือเีพีก็ยุ่งไใจเา การเท้าถืออันพระเยซูพระเยซูก็ยุ่ใจเขาเยาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธพระทธรรมพระสงฆ์ก็ยุ่ใจเขานลยล้วเื่อใดเื่อดก็สร้างข้อหอกายท้อที่ต่ อ, อ, อ, กกตตอพระทธธรรมระสงฆ์อ่ตรงเงานี้ประมาณเพราะเป็นขาดเป็นขาดพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่ตรงงานี้ประมาณขอขมาโทษต่อพระธรรมสงฆ์อย่ตรงเงาบนนี้ประมาณอธิษฐานไว้ยังสันต่างซับไว้ยังัน สะกนา ก, าสะกนละกายก่อนล้วอาจารสักก่อนละใจของเขานี่สิทุนถวายให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเหยือรถหยับยำชนหลบไทานหมกใส่โยกมืองาเดิอดึกดายดึกดาก็ดีทั้งยืนเดินย่างก้อนรับตือนตามพระเถาะข้าวคุณพรานคนจากทุกนวัตตาสงสารตามควาประสงค์ของตนนี้ตรงเวลาผมมีความ่นก็เท่าร์เตือนนะถ้ารับเข้าเข้ากับถ้ารับเข้าเขากับไม่ได้ว่าหลายไปไืนเข้าไปทางนัดก็นั่น ก็เทวดานัเจี๊ยบก็เทวานั้นทำอะไรที่รุดฝนบลกครบกรอกบล็อกแลสเสหรูวทาเป็นจริงก็ัวตวดาทำเป็นจริงรุดฝนทาเป็นจริงโดยสิ้นเชิงข้าพเจ้าจงรลวงทำเป็นจริงก็เทวดาทำเป็นจริงรุดฝนทำเป็นจริงยืดธุกมาเมียประมาณก็ขาดเทือนถะ้า น, น่อยขอให้กายท่านร้ายขอให้เว่นวานาโมตัวเดียวขอให้ยั่ถึงพระ น, นิพพานความอธิษฐานของเขาบริเนนโมเดียกนโมพานโมบัตโนโมเบอร์คือเจ้าโลกเลยนโมเนี่ยเขานอ น, อนอนเป็นสูงมันกระสูง นอมถึงพระมิพภานก็ถึงพระมในภานเข้ารอบรบวายกันถึงพรควพมานภาอนโมโลกีคือนโมไผ่นโมโลกุตระนับจนนโมพระสวัสดิวันไปจนถึงโมโนสกทาคามีอานาคามีอาหารหันพระอรหันต์เรียนนโมโจบแล้วนอกน้อมจนเมื่อมาเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารเร<ม>ียนพุทธทั้งสนคมข้ามให้จบแล้วพระอรหันต์แต่สนะคมคมจนเมื่อมาเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารเนี่ย ถ้ามจะรวัตระบาด ท, ทรงตอร่อพันธุ์พันธุ์ใน่ะมันขื่นยกับจิตกระใจของห้าดอกโทโทษความเย่อถึงพันธุ์พานธุ์พับเขาเลี้ยงร่งไปแล้วพวกอยู่ในทังโลกขี่กับโทโทษทั้งโทษ ท, ที่ทองลบมดพรใจไปรกกสร้างก็เป็นโลกขี่สาเก่าหันละ่ะเพราะจิตเจตนาบรอยู่หันเนี่มันมาเห็นภายในาวตารสงสารมันเห็นภายในาวตรา ร, ร, ตรสงสารอย่างเต็มที่แล้ว าน่อยคอยกายถ้าร้ายคล้อ ย, ยเหวี่ปฏิบัติน่อยคออยกายปฏิบัติร้ายคล้อยเหวี่ด้วยเพื่อดับโบมีเสือ่อกันน่ะเห็นไหมท่านพยามะกะพระปุณณ์นี่สมุนพระปุณณะมัตฑนยบุตรถามภาษาเดีบุตรภาษาตอบกันก็ภาษาเีบุรพระปุณณะมัตฑนิยบุตรภาษานีบุรนานาตบราถามเธอประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรเพื่อดับไม่มีเชื่อในชาตินี้ เพื่อพระนิพ่านเพื่อดาวโบมีเสื่อโบมีเสือี่เลียนมาเกิดอีกนะการประพฤติเพมจอฌา์เพื่อรับเพื่อยตเพื่อชนเสือเพื่อสุขเพื่ออามิตรทั้งหลายน่ยเรื่องมันก็มากัเลยอะนะผู้เห็นไพนะว่าตาสงสารย่างเต็มที่แล้วนะพระวน า, าอันใดรักษาอันใดรักษาศีลตัวใดรักพระวน า, าตัวใดมันก็เล็ดผลแหละพลันพน่พานผละมันก็ว่างเพื่อจะออกสาวตาสงสารโหลดดึงโหลด สีทองเ ก, กี้ยวพรใจพิรุกกัปะปาชนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตริราบยศ ส, สรรเสริญยุคสมเกา่าเนี่ยส่วนมนุ่นจมนนะมัดเกินความเมื่อเศร้ากัซานอะมันอยู่กับเจ ต, ตนาเอเจตนาไป็นสองสองสำคัญเจตนาห้างพิฆเวชีหลังมัดามิเจตนาห้งเจตนาห้งาหงพิฆเวสมาทิงวัดามิเจตนาห้างพิฆเวปัญญาวดามิไม่ข้อมาไอเดียวกัน ปัจจุบันนัส no ีนปัจจุบันสมาธิปัจจุบันปัญญาของพระัศดาบันปัจจุบันของพระสักขะธาข้ามีปัจจุบันของพระอานาข้ามีปัจจุบันของพระราห์ปัจจุบันของพระพัจเจกมียิงลอนก็กันเนี่ยต่างคนต่างอ่างปัจจุบันปัจจุบันนัสีนปัจจุบันนัสมาธิปัจจุบันนัสีนตัดสินลงน้นปัจจุบันปัจจุบันนสมาธิตั้งมันลงนั้นปัจจุบันปัจจุบันนปัญญารอบรูนั้นปัจจุบันฉันทะพอใจรัคใครในกรรมฐานที่ต้งไว วิยะเพียงในประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ยึดใจเอาใจฟักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามอันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสี่อย่างนี้มีบริบรูรณ์แล้วอาจจักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องสงค์ทงเหลือวิสัยอยน้นพระุทธเจ้าโหมนพรพุทธเจ้าท่ายไว้แล้วบอ๊อพิดท่ายไว้แลว้วหลทีนี้ทํำแรนกำลังห้าอย่างศ ร, รัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะความเพียงในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิ สติในรูปชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรูปในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงสินสมาธิปัญญาตกลงชันทะวิริยะคิดตาไม่มังสายโยนกันอันเดียวก้อนเดียวกันเลยพระทัพสองอายุก้อนเดียวเป็นเสือกสามเกี่ยวแปดมื่นเชือพระทัพมาขันก็เป็นแปดมื่ชื่อพระธรพมขันเกี่ยวมาโยู่ในปัจจุบันเลยบอกสั่งทศทัตโมสังโคเป็นเสือกสามเกี่ยวในปัจจุบัติ พุทโไปเอาผู้ละบาปบาเพ็ญบุญท้าโม่ส่องไงซึ่งละบาปบเพ็ญบุญสังโค้กเขาจะเพื่อละบาปบเพ็ญบุญจกลงพุทโธ้โม่สังค้ยู่ใจอย่างนี้บ้านเดียวกัน่ต้องไปเลียวหาบุอื่นไปหาบุญอื่นแหงโเห็นขันเห็นราบวนมาหาอันผู้หามันกับบเดียวกัผู้บวเห็นแต่เทาเห็นแต่ได้ล้วเข้ามาด้หาได้หัวของสั่นว่าเห็นหวงผู้มันบอเดินหลวงผมก็ไปก็มาเล็กน้อยถามเรเสียงใหม่ หลวงพอ่พอหลวงพ่อเดินนยกรมเดินหาหยั <antique> nine, üm, people, Arizona, soil, иваем, ่งเราสันเดินหาพุทโธพุทโธเราหายหายโยสายหายออกไปจากใจนี่สันเห็นเรวบ่เราหลวงพ่อเห็นแล้วเห็นยสายเห็นโยใจเพื่นกระว่างนเลยอะเพื่อนกระว่างพ่นแมนให้ปฏิบัติง่ายๆอาั้นเดหาออกจากใจเราเพ่เห็นหาควอยูีคมซัวหาออกจากใจก็บพื่เห็นเพราะผู้อื่นบ่นว่าญาติใจเห็ดเด้ันใจผู้เดียวเหตุเด้ใจก็อ้ข้อที่เหตุข้อมีน้เพวยนี่เคลียร์บ้าสัน มันเคยได้เมัดมันกระตอบมันได้มันไ่เคยได้เฮ็ดมันกระตอบมันม่ได้มันติตัวมันมันกระตัวว่ารงทกันบสัรรว่าทํายนต์งเป็นในการใบาตรคำว่าลงเป็นกายกับใจมันก็เป็นสองนทุกข์การนบาตอกกายไหว้ใจายก็เป็นที่การในบาตบอกอานิยสัตยที่ก็เป็นทุกข์จะทุกการในบาหรือเ่า ขาดซีกมาทานซีขาดซีม่นนี่อาญาัีมันนี่ก็เป็นจ้ตัวการเนบาทข้อจริงมันก็ร่วมลงมาหาเอกเนบาตไวออกไปจางเนี่ยเบาตไปวบทดีบทของคิดของใจที่ทำดีทา้งตัวตาหัจงหกเรีนกายมันจงหงจับภาษาอย่างใจขันใจวอยรักษาหามันจงงจักคืออย่างมันมุงจักเลยคือค้นจายเทาน่้มันจงหงจักอย่งใจวัยรัหันวิญญาณวัยรัี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันขืนยกับใจมั้ใจไป็นหน้ทุ่นมันเป็นมอนรดกดังเดิมมด้ตาหูวฉันออรเรียนมาเติมใช้ผ้าลัางดอกใจเป็นผู้ซื้อหาซื้อผู้ซื้อวตาไปไปให้ไปซื้อหาใจเป็นผู้ซื้อหาตาค อ, อยสซื้อให้เจ้าว่าตาเด้อคอยขลับมันกับบว่าหึมันกับ่าวาขอย่อยซื้อให้เจ้าว่าหูเด้อสครับมันกับบว่า ปฏ an ิเสธมันกับว่าปฏิเสธคอยจะซื้อให้เจ้าว่าจมูกเรื่องอะไร่านครับมันกับว่าปฏิเสธมันกับว่าปฏิเสธคอยจะซื้อให้เจ้าว่าลิ้นเรืองอะไร่นครับมันกับว่าปฏิเสธมันกับว่าปฏิเสธคอยจะซื้อให้เจ้าว่ากายเรื่องอะไร่นครับมันกับว่าปฏิเสธมันก็บว่าปฏิเสธอุเบกขามันกับว่าอุเบกขาอุเบกขวางมันกับว่าอุเบกขว มันบอกหงจักขีดังเรื่องอยังขึ้ดินเนี่ยเขาซื้อให้มันว่าดินมันกับว่ามันกับได้ว่าครับไม่เข้าไ่ซื้ออันนี้ใจนะพระเจ้าไซื่อใสซื้อเขาเขาบ่กไซซื้อตอบพ่ะน่ยตาหูจมูกเลี้ยงกายมันกับว่าไซซื้อตอบเออดีละเพราะยากิจตลาดมาใไ่ซื้อคอยว่าตาหูจมูกเลี้ยงกายคอยไปสิ่ตอบแทนเจ้าว่าให้เจ้าใส่ซื้อว่าใจสเสียเลเขากับได้ว่า่ีร เมื่อพูดได้ใส่เสื้อโทขอขวนสวมสวมหัวโถขนสวมหัวโถว่าใจใจตอนนัะนคำพูดรู้เท่าใจก็บบรรทุกยุ่งในใจผู้เดียวเท่ตัวนี่สันตอนใดรู้เท่าใจตอนได้มันก็ยังโมเป็นทุกข์เลยตอนได้พรู้เท่าใจตอนได้มันก็เป็นทุกข์กันตัวเนี่ยปัญหากสร้างขึ้นมาใช้จักรของตันกัผู้เดียวก็ผู้สร้างปัญหาผู้แก้ปัญหากับผู้เดียวสิตัวไหนเพราะเท่ากระโตลูกเคยกระโตทําเก่าเนี่ยเป็นยังว่าจิตต่างท่านทางสุขาวหางจิตที่ฝึกฝนแล้วมานําสุขมาให้จิด จิตตถาตามทศทุาธุฝึกผลกิจนั้นแหละเป็นดีอะนรปะมาณนันเสียงสมาธิปัญญาเขามีตัวเดียวอยู่ตัวใจเท่านั้นไปตรงนี้พระเทามาขันขันลงสมใจขันปัจจุบันนันจจโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไปงอแง่คลอแคลนในทางพุทธศาสนาเลยมันมีในปัจจุบันหมดเข้าพิจารณาดินดินยังเสีม่เขาพิจารณานามนายังสียไม่มันมีอุกรมันหมดแล้วหว่อองสัน 1-2-3 สามันก็มีมีโยกรอนเนี่เข้าจังนับได้มันก็ม่มียยกรอนเข้าสีนับได้บ่สิ่นับถึงหมื่นสึงแสนแต่เท่านมันก็มียยกรอนเข้าจังนับได้มันบม่มีโยกรอนเข้าสิ่นับได้บ่หัวของฉันดินน้าไฟลมมันม่มีโยเข้าจังบัญยัตได้ขันบนบ่ไม่มีเข้าสีบรรยัตได้จังไรหนักแต่พระพุทธศาสนาบัญญัตถือแต่แร้อะบัญญัตจ้าซิ่งไหเป็นบาปกับบาปอีรีได้สิ่ไดเป็นบุญกับบุญอีดีพระพุทธเจ้าบรรยัตอะ่ัก็คือศาสนาอื่นไ สานะอื่นบัญญัตบาบ่ถือได้บัญัตบุญว่าคถือได้บ่คือพระพุทธศาสนาได้บ่คือพระองค์เจ้าได้เช่นขาสัดไปสวรรค์นั่นสิแล้วเข้าบรรยัตมันถือบ่เขามาขาห่อไปสวรรค์เาเอาบ่เขาเอาแน่นั่นมันมันปีนกันทังสัออื่นบรญยัตเพีดบว่าถืเหมือนพระองค์เจ้าหดอกองค์เจ้าห่อบัญญัตบัตได้ชักบยัติโยชักเ้าไปเอาหคันธะปัญญัติ ขันธ์ก็บัญญัติเนี่ยคือขันหาหลุกขันน้ำขันอายตนะปัญญัติอายตนะบัญญัติอายตนะภายในภายนอกตาหูจะเียงกายใจหย้งจิรถฝทธัฒมาร่มนีพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วยสัจจัญญัติสัจจอริยสัจสิณทุกสมุทัยในโลมากพระพุทธเจ้าบัญญัติแลีวบัญญัติถือพระพุทธเจ้าเี่ยบัญญัติพชรมือห่อนี่ยบัญญัติเพชรได้ พิ่พิกเกจาจบหายหมือน้หาห้าบั ญ, ญัติซึ่งมันจีบหายเข้าไปบร ญ, ญัติมันเจริญขึ้นลเล็กกันได้หรไปเรียนเนี่ยมันหาบบ้านผู้ได้อาศส่ชายปานไว้เห็นไหนจะข้นตัวไม่แยงบ้านนั่นบรญยัติพิษอนะันนันซึ่งมันจิบหายแทบไปบั ญ, ญัติมันทีไรเห็นกงจักว่าเปนดอกบัวเห็นเจ้ากงว่าเป็นผูกโอเลกนั่นบรญัติพิษอันนมคือพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าบัญญัติว่าจีบหายมมีสาอุทธรณ์นั่นนั่นนั่น พระสวัสดิ a w a เชษาาอยากรวงละมิดสินหานพระเชษาอยากเรียนเลขพรเชษฐาอยากขอดเวน้นผู้ใดเชี่ยดยุหงพรขอดเวน้น พ, พ่อปิดอบาย พ, พ่อปิดปิดบา ป, ปยามยาไปแล้วมีสินหาบริบูรณ์พ่ะเชษาอยากรวงระมิดสินหาพระเชษาอยากถือศาตราอื่นพระโสดิ awan ่รเชาดายอยากถือเวทมนต์คนละคาถาถือแข่ถือคม ย่างนั่นย่างนี้ใส่หนังบางฟันบมี่นพระสวัสดิบัณฑ่โเบียบียนผู้ใดกันเขามาทาผิดเพื่อนเพื่อนกับ่าเคยเด็กการทำผิดกันจะมาสาดกรกัให้เลไปซะเนอเพื่นอนเอากขาสัน่นเมื่อถอดเวน้นถอดไปพื้น ม, มึงเถอะ ม, มึงเถอะบนีไม่นใจเพื่นเดียวว่าพระสวสดิ์บัณฑสวัสวดบันเป็นพวกไมาจัดเบื้องต้นของพระพุท ธ, ธาาศาสนาบอกเาสั่น บบถึงพระสวสดาวสักกอนน่ยพระอานาพระสักทาข้าไม่อานาข้าไม่อ า, หารหับบนก็ต้องอาบแล้วไ่ได้อาบแล้วคือหัวขันใดแล้บวชขึ้นขันต้นสักก้อนมันกับอะไรมองสั่นว่าถ้าไปนี่ก็เอาแต่พต้องควรเทนานะพวกข่าวลวงเสือมานี่ ย, ยะทาวาริวห้าพุราปริปุรินติสากลางเยวามีวายโทีินังไปตาณังออปปะปติมิจิจังมิจิังตุมพัง ก, กีโเมิวสุิมตู สภีผู้เรียนด้วยสังกัปปจันโทปนะรโสยธามณีโชเทโสยธาสภีชโยวัจฉริสปุโลกุสัพพิโยสปโลกุยนัตัตุมาเตพวตวันตลายโยฤกษที่คายโกโขอภิวาทานสีนิสันีจังมุทาปชายิโนจัตารุธรมาวัจันติอายุวันูสุขังภะรังงอบกมู่กับวอลไลอะไรเงี้ยวอาเต็วเอาเตมโตก็ได้เอาไหลเนี่ยภาพหน้าอันเดียวสิ่งนี่งนาดเนี้ยแต่เรียกว่าวุหัน หารลงใสหนึ่งหันหานลงสัปจุบันย์ย่งว่าวาหัว่าวอนกลัวต่อบาปปกครองค็าลำบากเหมือนกันพระบรมศาสน า, า, ารับรองการปกครองไว้สองอย่างทำเป็นโลค ก, กระบาคือคุ้มครองโลกสองอย่างหนึ่งให้รีความและอายแก่ใจ ละอายต่อบาดโอทปะความสะดุ้งกลัวต่อบาดทำสองอย่างนี้จะปกครองโลกถ้าหากว่าโลกมีความละอายต่อบาดมีความกลัวต่อบาดแล้วก ฎ, กฎหม้กดหมู่กดพักกดพวกก็ตั้งอยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามกฎหม้ๆๆกดหมู่กดพักกดพวกก็ตั้งไม่อยู่ถ้ า, ม า, ม า, าไม่มียาอายต่อบาดไม่มีกลัวต่อบาด นี่นความละอายแก่ใจอุตปะความเกรงกลัวต่อบาปทำสองประการนี่ปกครองโลกต่างก็ละอายต่อบาปต่างก็กลัวต่อบาปแล้วก็ปกครองกันง่ายถ้าว่าไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปแล้วทําความผิดในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทํำในที่รับก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วคําสอนใด จะเหนือคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีการรางบทกฎหมายหรือปกครองส่วนไหนๆก็ตามถ้าทิ้งคำสอนพระบรมศาราแล้วก็ไปไม่รอดเพราะคำสอนเป็นดิ่งทาโลกทั้งพวงทุกยุคทุกสมัยเป็นดิงของโลกเป็นดิงของชาวโลกสัทธาเทวมนุษย์สานัง เป็นผู้สอนของเทวดานะมนุษย์ทั้งหลายพระบรมศาสตดาพระพุทธศาสนาเป็นการบ้านเป็นการเมืองเป็นการเทวบุตรเทวดาเป็นการพร ม, มโลกก็เป็นการพระสวัสดวัษษาลสัจธรามีพระลานครบหมดจึงทรงพระนามวาโล ก, กวิทูจึงทรงพระนามดาวขวัญฟ้ายอ ง, งาอาจว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดานะมนุษย์ทั้งหลาย ไม่จนมุมเลยคําสอนใดๆในใจโลกธาตเป็นเมืองขึ้นคําสอนของพระพุทธศาสนาหมดโดยไม่รู้ตัวเข่มทิศจะมีกี่รันร้านพ็ชี้ไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงเอีกเทียมในทางสูงเทียมในทางลึกซึ่งเพื่อให้คํานึงได้หลายทางน้าห้วยน้องคลองเมืองวางต่างๆ ไรลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไรลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงเอกในระหว่างโลกบางท่านพูดว่าพระอย่าได้เป็นการเมืองเพราะอย่างนั้นแต่ไม่ได้พระก็ต้องเป็นการบ้านการเมืองถ้าพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนนี่ข้อ น, นี้สำคัญมากนะ ในระหว่างผัวก็มีพระบรมศาสตร์กร็รอสดาขอสอนด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นพระภรรยาด้วยไม่ดูหมิน่นด้วยไม่ประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับบรรลุชนีดแล้ ว, วยอมมโนเคราะห์สามีด้วยสถานะ ห, หนึ่งจัดการงานดีสองสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสมไม่ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาใดไว้ข้อห้าขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง พระบรมศาสนสอนคารวะตรงๆจะห้ามไม่ให้เป็นการบ้านมันก็ไปไม่ไหวเนี่ยนะพระพุทธศ า, ส, าสนาไม่สอนบ้านเมืองจะไปสอนผีตัวไหนนั่นนั่นมีแต่เนื้อไม่มีกระดูกเลยคําสอนของพุทธศ า, ส, าสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาจะกี่ยุคก็ตามจะร้อยโกดพระองค์มาก็ตามก็เป็นคําสอนอันเดียวกันไม่ได้ พัดเปลี่ยนไม่ได้ซับเปลี่ยนพรบกันและไม่ได้เพิ่มเข้าเพราะมันดีพอแล้วเพราะมันเป็นธวาธิปไตยประปจำโลกอยู่แล้วไม่ใช่อัตราธิปปัตยไม่ใช่โลกาธิปไตยไปตามโลกถ้าไปตามโลกหมดถ้าโลกไปเป็นธรรมมันก็เป็นตกเหวตายหมดนั่นถ้าโลกเป็นธรรมจริงจะดีข้างพระบรมศาสนาเยพุะยัชชิกาเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณ คนมากเหล่านั้นจะเรียนจบพระไตรปิรกก็ตามถ้าความประพฤติของเธอไม่ดีก็ไม่ให้มาออกเสียงไม่ให้มาลงคะแนนนั่นไม่เหมือ น, นชาวโลกทุกวันนี้นั่นไกลกันริบเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำอะไรไม่มองดูพระพุทธศาสานาเราไปไม่รอดเนออพวกที่เถื่อนไม่มีบุญมีบาปเขาไปรอดไหมนั่นนั่นนั่นพอนั่นพอแล้วนะ เขาไปไม่รอดเนอเพราะกรรมแล้วผลของกรรมไม่หยุอชาวโรกจะตัดสินตรงตามคดีก็ตามหรือไม่ตรงตามก็ตามว่าไม่เป็นปัญหาแต่ผลของกรรมตามหลังอยู่ยังมีหยุดผลของกรรมมันคองละเอียดมากก็บางอย่างให้ผลเนี่ยพวกนี้นะพบหน้าบางอย่างให้ผลไม่พสวบสืบบางอย่างให้ผลตามกิจที่ทําบางอย่างให้ผลเป็นลําดับกรรมชี้ร่องอย่างมีในพระพุทธศาสนะ พระบรมศาสตราจึงยอมอยู่ใต้ธรรมไม่ใช่พระบรมศาสตาอยู่เหนือนธรรมทำไม่อยู่ก่อนแล้วถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสตาก็ไม่สามารถจะรู้ทําได้นั่นจึงเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธควรคิดทั้งนั้นเพื่อให้เป็นคู่มือเพื่อให้เป็นแว่นดวงใจแว่นดวงธรรมแวดดวงใจแวดดวงธรรมก็คือคําสอนของพระบรมศาสตรานั่นเอง วิธีรังงับอธิกรณ์ในพระพุทธศาสนาก็มีความเฉียงกันว่าสิ่งนี้เป็นธรรมเป็นวไนสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเรียกวิวาธาธิกรณ์ความโจร์กันด้วยอบัตินั้นเรียกอนุวาธาธิกรณ์อาบัติท่าพวงเรียกอาัตาธิกรณ์กิจที่จะทรงสงจะต้องทำเรียกกิจจาธิกรณ์อธิการณน่สมถะมีกิจทําเครื่องรั ง, งงับอธิกรณ์ทั้งสี่นั้นในที่พร้อมหน้าสง์ ในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุในที่พร้อมหน้าธรรมเรียกสา ม, มุคขวิ่นายความที่ทรงสักกาศให้ส ม, มุติแก่พระหรหันว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ให้ใครโจทกท่านโดยอาบัตรเรียกสติวิ่นายจำเลยเป็นพระหรหันเป็นผู้มีสติไพบูรณไม่เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะทําการละเมิดดังที่โจทกล่าวหาสวดกรรมวาจาจารไว้ให้สติวิน่นัยแล้วยกฟ้องของโจทเสียคําสอนพรพุทธศาสนาเนี่ย ความที่สองสักกาศให้สมมุติแก่พิกษูผู้หายเป็นบ้าแล้ว <c oughs> เพื่อจะไม่ใครโจทท่านด้วยอาบัติที่เธอทำในเวลาเพียนว่าเรียกอม mun และหาวีา่ไนพิกษุที่เป็นว่าเธอเสียสติเธอไปทําผิดพเทวีไนห้ามไม่ให้โจดเมื่อเธอหายบ้าแล้วจึงเธอไปทําผิดใหม่อีกจึงให้โจดความที่สองสัะกาศให้สมมติแก่พระหัน่าเป็นผู้มีความที่ ความปับอาวัตตามปฏิญญาของจำเลยผู้รับเป็นสัตว์เรียกปฏิญญาตการณ์ความตัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณเย้เยพุทธิกาความให้ปฏิญญาประนอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียกตินนวัตถารกักวินัยความให้ปณีญาประนอมกันทั้งสองฝ่ายมีอยู่ถ้าฝ่ายโจทย์มีมากฝ่ายจำเลยก็มีมากอย่างนี้พระบรมศาสดาให้ปณีญาประนอมกันถ้าให้ทางใดทางหนึ่งชนะอธิกรจะกําเริบนั่น พระบรมศาลาคําคสอนพระบรมศาลามีาพระวินัยของพวกเรากฎหมายของพวกเราก็ตั้งออกมาจากคําสอนพระบรมศาลานั่นเองจงผู้โจทย์ต้องโจทย์มีมูลรักแห่งมูลนั่นสามอย่างด้วยได้เห็นเองด้วยได้ยินเอง ด้วยมีผู้บอกได้เชื่อว่าตามเป็นจริงด้วยสงสัยระดังเกียบข้อประพฤติไม่ดีเรียกว่าโจษมีมูลพระบรมศาสดามีในสังคาที่เศษสิกขาวบดที่แปดที่เก้าพิษสูภาษเพื่อจะทํำลายสงให้แตกกันพิกษสู<ม>อืน่นห้ามให้ฟังสงสอดกรรมเพื่อจะให้ละข้ออธิษฐานนั้นถ้าไม่ละต้องสังคาที่เศษที่เอ็ดพิษูประพฤตตามพิษสูพูดทำลายสงนั้นพิษสูอื่นห้ามให้ฟังสงสอดกรรเพื่อจะให้ละข้ออธิพฤานนั้นถ้าไม่ละต้องสังคาที่เศษนะ ข้อนี้เป็นข้อสังฆาธิเสขข้อสิบเอ็ดข้อสิบก็ข้อสิบเอ็ดนี่เป็นโทษมากการทําหมูให้แตกจับเป็นอนันตริยกรรมห้า آ, พึงถามปีเดือนวันเวลาพึงถามฐานะนัทิศที่ทำจงถามถึงทีอผู้บอกและเหตุที่บอกให้ประกอบกับการและฐานที่จำเลยเป็นผู้ประมาจงทำให้เป็นคนลาเรือง เดี๋ยวจะให้การไม่ถูกพระบรมศาสดาจำเลยเป็นผู้รลดผลก็จงขม่มจงขู่รัชปาิยิติการกรรมกำเพิ่มโทษแก่พิสูจผู้กระพฤติรามุกให้การกลับไปกลับมาพูดถลากถลายข้อกบเกิืนที่ถูกสักถามพูดมุสาซึ่งหน้าอันนี้เพิ่มโทษท่านพูดยังงมันมีอยู่แก้ไขได้เรียกสติคิจฉาแก้ไขไม่ได้เรียกอาตยกิจฉา อาบัติปาราชิกเป็นไอยตยชิตชาแก้ไขไม่ได้ป่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเป็นอาที่ชาวพุทธรู้พระปรามาศาสนารทัสรู้ที่ป่าลุมพินีวันในระหว่างกึ่งกลางแห่งนครทั้งสอง ของเทวทหะได้รามคามอของก บ, บิลพัทแดะเทวทหะทัศรุที่ไม่มหาโพธิ์ตำวนพุทธคยาแสดงธรรมจากกับวัตตนสูตรที่ป่าอิสีปตนะมิฆทายวันแขวงเมืองพาราณสีแล้วก็แสดงธรรมจาก กับวัฒนาสูตรก็เหมือนการเจ้าแขวงเมืองพาราณสีป่าอิสีพัฒนามิกรทายวันมิกรทายวันเป็นที่อยู่ของเนื้ อ, อวัดป่าเชตะวันมหาวิหารเชตตะวันมหาวิหารเป็นวัดป่าเชตตะวันเป็นชื่อของไมอ้อนาถปินฑิกาเศรษฐีสร้างถวายสี่สิบห้าโกดกระเป๋าเดียว กะเป๋าเดียวสี่พห้าโกดซิปล้านจึงเป็นโกดกระเป๋าเดียวอะไรเนี่ยสี่พนห้าโกดป่าเชตตะวันมหาวิหารไกลจากเมืองสาวัตถีไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือเออเฉียงใต้นาำวิสาขานั่นสร้างวัดบุพารามบุพาราม มุภาคือเป็นป่าสวนดอกไม้ของนางวิสาขาไกลจากเมืองสาวัถีไปทางทิศ ต, ตะวันตกเฉียงเหนือประมาณยี่สิบห้าเส้นประมาณยี่สิบห้าเส้นช้างหมด1ิบเก้าโกดธ1บเก้ากดจะเป็นกี่ล้านเอาสิไปคูณดูสิกระเป๋าเดียวแล้วเนี่ยไม่ได้แผ่ไม่ได้ขอใครละไม่ได้ะไรอะไรใครละเนี่ย สี่สิบ้าโกดที่นี่อนาถาเป็นที่เกษตรทีเนี่ยสร้างสี่สิบห้าโกดกระเป๋าเดียวอะไรนี่สิบห้าโกดสิบห้าห้าสิบสิบสี่สี่สิบเป็นสี่สิบห้าสีรยห้าสิบล้านนั่นนี่นางนิสสคาชุดเก้าโกดชุดเก้าชุดเก้าเก้าสิบชุดหนึ่งเปนสิบเป็นชุดเก้ารอยเก้าสิบล้านใช่ไหมนั่น กระเป๋าเดียวลวนี่ที่นี่พระบรมศาดาปรงอายุสังขารก็ปรงอายุสังขารที่เวรวันสวนไมยไัยของพระเจ้าพิมพิสารอันเป็นที่อยู่แห่งกระแตวัดขัางแต่ข้างพุทธการเป็นวัดป่าทั้งนั้นเนอะอย่าพากับลืมเนอะ เราเป็นชาวพุทธต้องรู้จักประวัติของพระบรมศาราที่เป็นมาถ้าอย่างนั้นเราก็ใช่ไม่ถูกเราก็ไม่รู้อีหอ่หนูอี่นี่อะไรเนี่ยเขาพาไปมันก็ไปเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะรู้ทั้งนั้นแหละทีนี่ปรินิพานปริณิพานในสารวโนทยานเมืองกุชินาราห่างจาก เมื่อกูที่นาลาไปทางทิศตะวันออกวัดแต่ก่อนนิโคทารามป่าไม้นิโคดป่ามหาวันก็เป็นป่าทั้งนั้นอะ่ะแต่ก่อนทีนี้อยู่มาอยู่มาบ้านมันงอกมาหาก็เลยกลายเป็นวัดบ้านไปนส่วนมากทีนี้พระไตรปิฎกมีแต่ป่าทั้งนั้นถ้าตัดป่าออกแล้วจากพระพิสสงฆ์พระไตรปิฎกก็ไม่ครบ มันก็ล่มศาสนาเราดีๆนี่เองนั่นทำลายศาสนาเลยข้าัดมาให้พระอาศัยอยู่ป่าให้อาศัยอยู่ซะแต่อย่าไปสร้างวัดอีกที่สร้างไปแล้วก็ให้แล้วไปซะอันนี้พอฟังอยู <c oughs> <c oughs> ท่ทีนี้คำสนธธอนพระพุทธศาสนาเอาไปในหานะทำเกอย่าง ทำให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปว่าความเจริญฝ่ายเดียวอย่าเอปัิหาอย่าทำมีเกตอย่างหนึ่งเมื่อประชุมกันเนืองนิดสองเมื่อประชุมก็ภเพียงการประชุมเมื่อเลืประชุมก็ภาพเพียงกัรเลือกและภาบเพียงก็ตันทำกิจที่สงจะต้องทำสามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาในเสียขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สี่พิเศษเราใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เขารับนับถือพิกษษนั้น เชื่ฟัง ถ, ถ้อยคําของท่านข้อห้าไม่รู้อํานาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นหกินดีในเสนาสนับปากนั่นเจตตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนพิชฌาสมาณเองซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเจตอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสริมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนั่นทีนี้บอกอนุศาสตร์ก็บอกว่า รุกขมูและเสนาสนังนิสายะปปชาตทาเตยาวชีวังอุจโจกัเนีโยเธอทั้งหลายจงพยายามเน้อพยายามไปไปพกักอยู่ในป่าบ้างเน้อให้สแสวงอยู่ป่าจนวันตายเน้อตันเตยาวชีวังกรลนียังนั่นถ้าตัดป่าออกแล้วบวชก็บวชไม่ได้จะบอกอนุสาสตรยังไงนั่นนั่นชาวพุทธของเรา ต้องพิจารณาดูพูดว่าเราจะวางแบบแผนอะไรขึ้นก็ต้องพิจารณาพูดบ้าจะมีมากน้อยสักเพียงไหนเราก็บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันมันก็หมดไปเนี่ยทรัพย์ในใโลกธาตเป็นทรัพย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเหล่านั้น ม, มาเป็นคู่แย่งกับเราท่านเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วเหลือแต่พวกเรายังมีกิเลสก็แย่งกันอยู่นี่แหละไอ้หัวลวนก็แย่งไอ้หัวดำไอ้หัวดำก็แย่งไอ้หัวลวนอยู่นี้ ถูกไหมท่มนมานัศยทมีแสดงว่าถ้าสงฆ์ก็มีการวิาสสามมมีมีมีในตอนต้นไม่มีตอนกลางมีตอนต้นไม่มีไม่มีมมปป 4, สิฆาหม ด, 2, ด, ดปาราิกสสังฆทิี่สามนิยตสองนิสกีไปยตีสามยตีเขปฏิเทศยสีเสียีวะเจติห้าไม่มีเพราะท่านเหล่านั้น เป็นผู้มีกิเลสน้อยไม่ทันไม่บรรยัติพอมาปัิบัติก็พ้นกันไปเสียพ้นจากกิเลสไปเสี ย, ยต่อมาต่อมาก็มีคนไอ้หัวดรือเข้ามาบวชก็ต้องได้บรรยัติใชเหตุฉชไนแผ่นดินจึงแคบก็เพราะคนมันมากเราจะไปทำยังไงนคนมันมากแผ่นดินรัชกาลที่หกก็มีสิบสี่ล้านเศษเดี๋ยวนี้มันห้าสิบกสิบแล้ว จะให้มันไม่ยัดเยียดก็มันก็ไม่ได้จําเป็นก็ต้องยัดเยียดก็ต้องปั่นกันอยู่ที่นี่ถ้าจะเราถ้าเราจะพูดแต่ว่าแผ่นดินสงวนป่าสงวนทุ่งสงวนมนุษย์ไม่สงวนหรือไม่ใช่คนไทยหรือนั่นเราก็มีที่แย่งเหมือนกันนะหรือจะฆ่าทิ่งหมดมันก็ต้องเมตตาเองเหมือนกัน ลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่พระบรมศาตราก็บอกไว้แล้วพระมเหพระมเหารสี่หนึ่งเมตตาความรักใคร่ปรารธนาจะให้เป็นสุขสองกรุณาความสงสารที่จะผู้ใหญ่ให้พ้นทุกข์สามุทิตาความปลอยย็นดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสี่อบเบขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อเมื่อผู้อื่นถึงความมีบัติมันเหลือวิสัย่เราก็เลยวางกรรมของมาสัตว์นออย่างนี้เรียกว่าโอบเบขาเนี่ยพอช่วยได้ก็ต้องช่วย สี่อย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ท่านู้ให่างินถ้าเรารงมศาสตร์ศาสนาไม่หมดพระเจ้าพิมพิสารทรงอํานาจสิทธิขาดในสมัยปัจจุบันในในสมัยอดีตไม่สมัยพระพุทธเจ้าของเราเอทรงอํานาจสิทธิขาดทรงพระนามอาาชามาคาโต้แล้วพระเจ้าแผ่นดินมคธท่านตั้งกฎหมายเอาเอง เพราะคนมีสินห้าบริบูรณ์ก็เอาสินห้าเป็นแวนเราก็ตั้งกฎหมายมันก็ไม่ผิดเพราะไม่เข้าข้างตัวาชาวโลกถ้ามีสินห้าบริบูรณ์แล้วสงครามจะมาจากประตูไหนเอา้าทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเอา้า น, นะกฎหมายก็ไม่ต้องแต่งมากละมันท่องยากลานมาตาโกรมาตาก็ตามล้านมาตาก็าตามหลักสิ้นห้าเป็นหลักของกฎหมายอยู่แล้วอไม่ไม่ไม่ต้อง <laughs> นั่นนั่นนันน่นเนั้น ท, ทิ้งไว้ได้จริงไว้พุทธศาสนาทิ้งไว้ได้ทิ้งก็ไปกันใหญ่เลยทีนี่มีเวลามากไหม มีมีเวลามากไหมเดี๋ยวนี้ถ้าเวลาหมดเวลาก็ให้บอกเนอะไ ม, มไม่ ไ, ไม่ท้ไม่รีดแต่ควรลง้งปูจะเหนื่อยครับเออ <laughs> ทีนี้อ้าท่านพูดว่าสงสงสัยอะไรในธรรมะก็ปาปารกมาชิถ้าปาร็กคนเดียวมันกง่หมูนี่ฮ <laughs> ะกอ ค, คือ หนักใจอยู่ครับว่าถ้าอย่างสมัยก่อนที่ท่านว่าพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์ทะเลาะกันก็มีระเบียบปฏิบัติมามาตอนนี้พระสงฆ์ปิดกันเนี่ยทางบ้านเมืองก็ลําบากใจครับอย่างที่ท่านว่าวันจําเป็นทีต้องมีป่ายอยู่นะครับศา ส, สนาพุทธของเราเนี่ยตัดป่าไม่ได้หรอกครับตัดป่าพระไตรปิฎกก็ต้องตัดออกหมดอืครับอืมพระไตรปดกก็ไม่ครบตัดป่าไม่ได้เป็นแต่เพียงว่า อย่าเล่นเรื่องมากให้มีให้ให้มีระเบียบบ้างปันกันบา้างปันให้พระบา้างแล้วก็ปันให้ญาติโยมบา้างปันให้รัฐบาลบา้างลูกผู้ภมสงสัยอยู่นะครับเป็นแบบว่าเ อ, อทำของพระเจ้าที่สั่งสอนกันมาอยู่เนี่ยผมเห็นว่าพระสายปฏิบัติเนี่ยบางท่านบางรูป ก็ไม่ได้อ่านหนังสืออะไรมากเก็แต่พิดกไม่ได้ไปท่องมานี่มากเนี่ยทําไมถึงได้รู้รู้หมดเลยเคําสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรมั่งอะไรบ้างนี่ยสามารถท่องได้จําได้หมดเพื่อเมื่อกิเลสมันไม่มากมันก็พูดออกมามันก็ถูกกับธรรมะเนี่ยเท่าถ้ากิเลสมีมากพู ด, พดออกมามันก็ไม่ถูกกับธรรมะมันขึ้นอยู่กับจิตคนเรา ถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่เป็นปัญหาเพ ร, ร, าราะบอกเรามาศาสตรามาได้เห็นแก่ตัวเน้อครูวว่าอาจารย์ก็มาเห็นแก่ตัวจึงอยู่ได้เน้อในที่ตมายอยู่นี่ก็ไม่มีมูลค่าส่วนตัวเน้อ เ, เขาให้มาทางรับอะไรอะไรก็มอบใครสาธารณะหมดไม่เห็นไม่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเลยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่วนมากยอมเสียสละเลย เนี่ยข้อนี้สำคัญมากมีอย่างพระไทยไปไปอยู่ตำลอนดอนไปอยู่ตำต่างประเทศเนี่ยภาษาพูดก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องกันแต่ไปเผยพระธรรมได้มันน่าจะจรังนะว่าเผยพระธรรมกันได้ยังไงในเมื่อภาษาพูดกันไม่รู้เรื่องพวกไปอยู่ต่างประเทศเช่นไปอยู่อเมริกาก็ไปเทศเอาคนไทยคนภาคอีสานเราภาคไทยของเรานี่เอง พวกนั่นเขาไม่มาฟังหรอกมีมีพระเป็นพรนหลังมาบวชมาอะไรนะครับมีมาเรียนก็ก็มีเป็นบางท่านผู้มีเนืยอใจเข้าขมา บ, บางท่านเขามีนิดอใจเขาฟั ง, ง, งขขรู้จักความหมายเข้ามาเขามาบวชมีความนับถือหลายองค์อยู่เพราะจิตคนเราไม่อยู่ระดับเดียวกันคใครอยู่ได้รับระดับใดก็เอานั่นมาคาดัคาดค้านไม่แรงวันเขามานกัน มันยินดีในมุ่คูดมันก็เอามุ่คูดมาคัดค้านแมลงผู่แมลงพึ่งมันยินดีในเกสรดอกไม้มันก็เอานั้นมาคัดค้านก็หมู่ของไขรของมันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันเหมือนกันแมลงผู้แมลงพึ่งมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันมันก็บอกว่าสังคมนิยมของมันเหมือนกันสังคมนิยมมันมีหลายชั้นะสังคมนิยมของพระสวดาวันของสกกาคามีของอนาคามีของพระราหานของพระสมานพระพุทธเจ้าสังคมนิยมของคนชั้นสูง แต่ทังคมนิยมในใดก็ตามก็ต้องเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นแวดเอาคําสอนพระพุทธศธรราประสงค์เป็นแวดสิ่งนั้นี่เป็นประโยชน์แก่ตนแต่เบียดเบียนท่านผู้อื่นสิ่งนั้นไม่ไมใช่คําสอนของพุทธศาสาศานาสิ่งไหนเป็นประโยชน์ทั้งสองทางสิ่งนั้นจึงเป็นคําสอนของพุทธศาสน า, าแต่พระพุทธ ศ, ศาสนาเนี่ยมันบัญญัติถูกมันบัญญัติถูกผู้ที่ไม่มีกิเลสมันก็บัญญัติเข้าข้างตัวข้างพักข้างหมูของตัวเอง ถูกไหมนั่นพระบรมศาสนาไม่มีกิเลสท่านก็บ ญ, ญัติถูกแต่วพวกเราใครมีพักมากก็บ ญ, ญับติไปตามพักของตัวใช่ไหยนั่นรัชนุนถึงไม่ได้ดีสักทีไม่ดีสักที <laughs> <laughs> พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็มาลงเอยกันหมดพระพระุทธเจ้าล่วงไปแล้วมากกว่าร้อยโกด ร้ยโกรจะมีกี่ล้านเอ้าจะมาข้างหน้าเขามากกว่าร้อยโกรก็มาซิกขาบทอันเดียวกันมดลงเอวยกันไม่ได้แก้ไม่ได้พัดเปลี่ยนพรบกันเพราะมันถูกเป็นธรรมแล้วเดีพวกเรานี่แก้แต่พึ่งแต่พือนะเงินจะแก้ก็ไม่ไหวนี่เพราะเหตุใดอืเพราะเหตุว่าต่างคนก็ต่างเอากิเลสออกมาดันกันสิ่งที่ไม่ยอมเชียรียบกัน่มันลําบากครับ การปกครองถ้าทิ้งนิกหะก็ปกครองกันไม่ได้ถ้าทิ้งปะกะหะก็ปกครองกันไม่ได้นิกะหะแปลว่าข่มสิ่งนี้ที่ไม่ถูกก็บอกว่าสิ่งนั้นไม่ถูกสิ่งนด้ที่ ถ, ถูกก็ทรงสรรเสริญเออเอาเป็นอย่างอย่างเรียกว่านิกะห ะ, ะเรียกว่าปะกะหะยกย่องทำสองประการนี้ในพระพุทธศาสนาก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันพระองค์ดูมามากชิคาบจึงบริบูรณ์ ถ้าไม่มีผู้ทำผิดเอ้าถ้าไม่มีนักมวยเอกก็เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนชนะถูกไหมครับต้องไม่มีผู้ทำผิดมีผู้ทำผิดกับคู่คู่ผู้ทำถูกผู้ทำผิดก็อย่าเอาเป็นอย่างอย่างผู้ทำถูกก็เอาเป็นอย่างอย่างทางถูกผู้ทำผิดก็อย่าเอาเป็นอย่างอย่างทางผิดทาไมมีผิดไม่มีถูกเพราะพุทธศาสนาก็ไม่เต็มเหมือนกันถ้ามีแต่ผู้ทำถูกถ้ามีแต่มืดก็ไม่รู้จักสว่างเหมือนกันถ้ามีแต่สว่างก็ไม่รู้จักมืดเหมือนกันมันเป็นคู่กันมาอย่างนั้น่ะ มันก็ไม่น่าจะเป็นเนอะข้าพุทธการพระเทวทัตนี่ยเป็นลุงเป็นลุงของพอระบรมศ า, าตราเป็นพี่เป็นพี่ชายของภรรยาของพอรบรมศาตร า, ามาทะเลาะ ก, กันกับพระบรมศ า, าตราสุภพุทธะเนะ่เป็นพ่อตาเป็นพ่อตาเป็นพ่อเท่าจะมาข่าลูกเขยนะมันก็ไม่น่าจะเป็นไปหาว่าลูกเขยน่ย ทิ่งลูกสาวของตนพระเทวทัตก็จะมาเป็นพระบรมศาสลาแทนพระบรมมศาลาของเรานมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นะความผิดนี่ถ้าว่าพระเทวทัตไม่มาลองดีกับ พ, พระองค์ก็ไม่รู้จะกว่าพระองค์ชนะนั่น อย่างเดียวนี้นะครับที่ข้อพิาพาทกันระหว่างพระภิกษุสงฆ์เนี่ยอย่างที่ท่านว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้มีหลักที่ลงตัวแล้วมันดีของมันแล้ววิเศษแล้วเนี่ยแล้วเรามาเอากฎหมายที่คนมีกิเลสออกมาไปบังคับกับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยผมว่าคงไม่ถูกต้องเอาพระสงฆ์ไปขึ้นศาลขึ้นเสาลนี่คงเบือดร้อนมันไม่ยุติธรรม สาธุสาธุสาธุอนุมโมนี่พูดถูกนี่พูดถูกร้อยเปอร์เซนถูกทีนี่เอา้าทีนี่จะย้อนถามทีนี่เราเราสงสัยว่าบิดาเราทําผิดครับเราสงสัยวิดาเราทําผิดเ ร, เ, เราจะไปลากคอบิดาของเรามาเตะได้ไหมไม่ได้ <laughs> เอา้าจะถามอีกทีนี่ นี่ของคารว่านี่ของพะถ้าู้ท่ศาสนพุตธเธอให้ข้ามาหนึ่งซะเธอจะไปข้ามาไหนก็ต้องข้าของสาราว่าใช่ไหมครับนั่นเอา้าสารานี่ราคาเท่ากันกับของทางโลกลงทุนก็เท่ากันเราจะครบรเราจะเครารพสาราหลังไหน ก็ต้องเขารกสาราพระพุทธศาสนาใช่ไหมออือของท่านพูดว่าสวยจริงแต่ว่าผ้าจีวรของพระวางอยู่บนทางที่นี่เธอจะไปเหยียบอันใดอันหนึ่งซะพูดถือศาสนาพุทธจะไปเหยียบอันไห น, สส น, ไห น, ไหนก็ต้องเหยียบของคารวะใช่ไหมครับนั่น <laughs> <laughs> อืม ก็ให้ทวนดูตนว่าเราปฏิบัติพระพุทธศาสนามาเพื่อประสงค์อะไรตอบตนให้ได้อย่าไปโกหกตนและอย่าเอามาโกหกท่านผู้อื่นทวนพวกฆราวาเราทำอย่างนี้เราประสงค์อะไรก็ตอบตนให้ถูกหรือเราเมีเบื้องหลังอยู่ก็ตอบตนให้ถูกต่างคนก็ทางทามกันถูกไหมพวกพระก็มั่นกัน ก็ต้องถามตนว่าตนบวชออกมาเพื่อลองโลกหรือบวชออกมาเพื่อปฏิบัติพ้นทุกขนะ์นวาตาสงสารจริงก็ตอบตนให้ถูกสิอย่าไปอย่าอย่าไปโกหกตนฆราวาก็งานกันก็ต้องตอบตนให้ถูกตนมีอะไรอยู่เบื้องหลังบ้างเจตนาของตนเป็นอย่างหนึ่งแล้วตนเอามาลวงโลกอย่างหนึ่งใช่ไหมก็ต้องจงถามตนอยู่ดูอันนี้นะเป็นเป็นทำแท้ ครับเวลานี้ก็เป็นเพราะว่ามีบางคนที่มีทิฏฐิมีอะไรเนี่ยไม่ไม่ถามตนอย่างที่ท่านว่าเนี่ยครับถกถ้าคนเหล่านี้ถ้ากลับมาคิดมาถามตัวก็จะเรียกปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เคยถูกนี่ไม่ถามตนต้นมีเกียรติธนาอย่างหนึ่งเขไปทําอย่างหนึ่งทีนี่ไปรวงอย่างหนึ่งมันก็วุ่นกันใหญ่เนี่ยนะพระก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันนะปัญหานี้ถูกไหมใช่ครับทีนี้ในพระไตรปิฎกมีอยู่ วายาวจักรสองจาพวกจําพวกหนึ eters, <ología> right. ่งท like right. ําตัวเป็นนายพระในเนนจำจาพวกหนึ่งทําตัวเป็นลูกศิษย์พระศิษเนนจําพวกที่ทําตัวเป็นนายพระในเนนจะไปนรกเนื้อพวกทําจําพวกที่ทาตัวเป็นลูกศิษย์พระศิษเนนจะไปสวรรค์ในพระไตรเพลกเป็นมูทุกันเป็นผู้เอาออกมาเป็นมุทุกันสมัยเปลี่ยนมูทุกัน ออกมาในดวงประเทพิพหนังสือ ด, ดวงประเทิอ้างที่มาอีกแค่ร้วยอ้างในพระไตรปิฎกอีกแค่ร้วยทีนี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าอีกทีนี้ถ้าหากว่าฆราวาสไ ม, ม่ยอมตัวเป็นลูกศิษย์ของพระสมณะพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ผีตัวไหนมายอมนั่นนั่นนั่นนั่น <laughs> ถ้าฆราวาสไม่ยอมตัวเป็นอุปถ า, าพระพุทธศา ส, ส, ส, สนาจะให้ผีตัวไหนมายอ ม, ม, ม ถ้าคาราวาสไม่เคารพพระพุทธศาสนาจะให้ผีตัวไหนมาเคารพนั่นนั่นนั่นถ้าบอกพ่อว่าเ็าจะเกียหัวลนทีเดียวหรือหรือจะพี่นาเชก่อนนะทีนี้กดของกดของกดของคาราวาสพระอรมศาศาสตราสอนไว้แล้วหนึ่งกฎคาราวาส ด้วยกายกรรมคืออรัมทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวจี ก, กรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยนโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยเป็นผู้ไม่ห้ามไม่ไม่ห้าด้วยเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนนี่หมายความว่าอย่าไปปิดทนทางวินทบาทห้าด้วยให้อเมจสถาน สมณพราหม์ได้รับบำรุงชนี่แล้วย่อมอนุเคราะห์กนบทด้วยสถานหกหนึ่งห้ามฆ่าทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยนําใจอันงามสี 4. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่หกบอกทางสวรรค์ให้ทางพระเนนลพระบระมศ า, าสตราสอนไปหมดแล้วในระหว่างศิษย์กับอาจารพระบระมศ า, าสตราสอนมาแล้วหนึ่งด้วยทัวขึ้นยืนรับ สองโดยเข้าไปยืนความรับใช้สโดยเช่อฟังศีลอุปถาค5โดยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพอาจารย์ได้รับอนุนงค์ชะนี้แล้วต้องอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยสถานห้าหนึ่งห้ามกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ระดับดีสาบอกศิลปวิทยาให้สิ้นเชิงว่าปิดบังอำพรางสี่ตอนไหนถูกข้อยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงห้าทำความป้องกันในทิศทางหลายคือจะไปในทิศไหนก็ไม่ให้อดอยาก เธอจะไปในทิศนนั่นนี่ค่าเรือนี่ผ้าจีวร เ, เธออย่าไปทําอย่างนั้นเธอไปทําอย่าไปทําอย่างนี้เนอนี่ค่ารถนี่ค่าเรื อ, เ, อ, อเธออย่าไปถือเงินถือคําเธออย่าไปบอกเรียกบอกผาเขาเนะจะไปในทางทางไหนก็ไม่ให้อดอย่างนั่นพระบระมศาสดาสอนในหมดแล้วในระหว่างมิตรพระบระมศาสด า, าสอนมิตรแท้สี่จำพวกมิตรโอปอ์อุปการะมิตรร่มสุขร่มทุกข์ มิตรเนนประมิตรเน้ประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิตรมีอุปการะมีลักษณะ4ี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว2ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้มาแล้ว3ามเอมาเมลภัยเอาไปที่พึ่งทำรักได้เชือ ส, สี่เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกบาปสมิตรร่อมสุขร่อมทุกมีลักษณะสี่หนึ่งขยายความรับของตนแก่เพื่อน2อปิดความลับของเพื่อนใม่แพร่งพราย3ไม่ละทิ้งในยาเบัต์ สี่แม่ชีวิตก็อาศรละแทนได้สา ม, มิตรเน่ประโยชน์มีลักษณะสี่หนึ่งห้ามกระทธรมควชั่วสองตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยการน้อมใจอันงามสี่บอกทางสวรรค์ให้มิตรแท้สี่จำพวกหนึ่งเมื่อทุกข์ก็ทุกด้วยสองเมื่อสุ ข, ขก็สุ ข, ขด้วยสามโต้เถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนสี่รับรองคนพูดชนะเสียงเพื่อนมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควครคบมิตรปฏิรูป ที่ไม่ควรคบหนึ่งคนปอกรอกสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจกสี่คนชักชวนในทางคืยผายคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรครบเน้อหนึ่งคนปอกรอกมีลักษณะสี่ชิดเอาแต่ก็ไดาา้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยชิดเอาให้ได้มากสามเมื่อไม่แพ้แก่ตัวจึงรับทำกิจธุระของเพื่อนเพื่ออยากจะขอสตัง สีส่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวอันนี้ก็ไม่ควรครบสามคนหัวประจกมีลักษณะสี่นี่จะทําดีมันก็ค่อยตามจะทําชั่วมันก็ค่อยตามต่อหน้ามันก็ว่าสารเสรื่อรับหลังมันต้องก็ตั้งเลนทาเขาไม่ควรครบมิตรชักชวนในทางชิปหายมีลักษณะสี่ชักชวนดื่มน้าเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มองในการเล่นชักชวนเล่นการพนันนั่น พวกเราค้อมิตเอาเรามากินเถิดมิตผีบ้านะข้มิดผีบ้าข้อมิต แ, แบบผีบ้าธรรมะของพรบรมศาสตรามีแต่เนื้อเลยไม่มีกระดูก <c oughs> เป็นผู้พึ่งของเทวานุตทั้งหลา ย, ยทั้งใจโลกธาตุ เรื่องว่าไตาโลกรธาตุไม่เข้าพึ่งมันก็เป็นเรื่องของไตโลกรธาตุเพราะบรมศาสตร์ไม่ได้สาบแช่งถ้าผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างคําสอนของพระพุทธศาสนาะคือคือผู้พระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจความพวกเธอทั้งหลายนั่นเองเราตาทาคตเป็นเพียงบอกเฉยๆหิวนอนก็ต้องนอนเองหิวน้ำก็ต้องดื่นเอง เราเป็นเพียงบอกเฉยๆเราจะทําแทนพวกเธอไม่ได้เน้อเพระปรมศาสนาน่ะพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่เองนะทำพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจของเราเนี่ยทำแต่แอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจทำเป็นที่พึ่งของธทำนอกจากใจไม่มีอันไรจะเป็นที่พึ่งของใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไรจะเบียดเบียนใจนั่นนั่นใจท้านั้นเบียดเบียนใจ ใจถ้านั้นทําใจให้เปลี่ยนประโยชน์ตาหูจมูกเลี้ยนมันไม่รู้อีนอ่นหัวเี่อะไรหรอกมันมันเหมือนรถเพราะคนตายตาหูจมูกเลี้ยนมันก็ไม่เห็นอะไรเพราะเราไม่มีวิญญาณอยู่ที่นั่นทิงพระพุทธศาสนาก็ไปไม่รอดเน้อทิ้งพระพุทธศาสนาไปไม่รอดเน้อทิ้งพระพุทธศาสนา คำสอนของพุทธศาสนาเป็นคำสอนตายตัวที่พระภิกษุธ ร, รมเนียนธมเนียนทำให้ถูกมันก็ไปเรื่องภิกษุส ร, รมเนียนคำสอนมันดีแล้วอืมี่ภิกษุผู้ชั่วส ร, รมเนียนผู้ชั่วแล้วก็บอกว่ามันไปชั่วหมดทั้งประเทศมันก็ไม่ถูกอืผู้ดีก็มีอยู่เจ้านายก็เหมือนกันะผู้ดีท่านก็มีอยู่นประชาชนก็เหมือนกันผู้ดีก็มีอยู่ถ้าผู้ดีไม่มีใครจะสืบโลกออืนั่น ถ้าเราจะทําดีก็เกรงว่าจะผิดผู้ทําชั่วอใจถึงในทางชั่วใจถึงอันว่าใจถึงใจถึงในทางดีมันก็ได้ดีใจถึงในทางชั่วมันก็ชั่วคนเราใจถึงทุกคนใจถึงในทางดีก็ได้รับผลดีใจถึงในทางชั่วก็ได้รับผลชั่วถ้าจะไปเอาใจแต่คนชั่วคนดีก็สืบโลกไปไม่ได้จะทําอะไรก็กลัวผิดใจคนชั่วอคนดีสืบโลกไปไม่ได้นั่น ในกลุ่มหนึ่งสังคมหนึ่งมีคนเป็นธรรมอยู่คนหนึ่งก็เป็นเครื่องอบอุ่นเน อ, อจะมีกี่ร ล, ล, ล่านก็สาร้างก็ก็ตามเถอะไม่มีผู้ใดเป็นธรรมมันก็ไม่เป็นเครื่องอบอุ่นมีแต่ทะเลาะเบาแว่งกันฆ่ากันตายคาสังคมเลยนั่นในสังคมหนึ่งหนึ่งถ้ามีผู้เป็นธรรมอยู่เพียงคนเดียวก็เป็นเครื่องอบอุ่นในไตโลกกระทน่งมีพระพุทธเจ้าท่านนั้น เ, เป็นธรรมเหนือกว่าโลกจึงเป็นเครื่องอบอุ่นอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธ ถ้าไมมีพระพุทธศาสน า, ส า, สาแทรกแซงอยู่ในโลกเนี่ยเสียงร้องไห้ร้องห่มเสียงสาบเสียงแช่งก็มีอยู่ทุกหย่อมยา่าละสวัสดีคุณป้าคุณลุงคุณหนูมาจากไหนก็มาจากอายุวโนสุขขังพลังของพระนั่นเอง น, น, นั่นนั่นนั่นไปไหนคุณป้าคุณลุงคุณหนูสบายดีหรืออย่างนั้นก็มาจากไหนก็มาจากสัมมาวายกาของพระพุทธศาสน า, สานั่นเอง รมของคาราวาสิซัจยะสัจซื่อแก่กันสรมธรรมะรู้จักข่มจิตของตนขันติอดทนกาขะสระสิ่งที่เป็นกาขะสระสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ครแต่คนที่ควรเนี่ยปั่นทของคาราวะสิปัญชิตโตฆรมาวาสังบัณชิตเป็นผู้ครองเรือนพระบรมศาสน า, ศา ตระกูลนัน้นมั่งคั่งก็ตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสานสีเน้อพระบระมสารจะมีเงินกี่ล้านก็ตามตั้งอยู่ไม่ได้นานละไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บุญนักพัสดุที่ขำคลา้าไม่รู้จักประมาณในาการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทูตสินให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนผวงจะดำรงตระกูกลควรเว้นสารสี่ประการนี้เสียนันพระบระมสาราสอนหมดเนี่ยพวกเราจะไปสอนดีเท่าท่านหรือนั่นนึกมาเห็นอีกเช่นด้วยนั่นนั่นนั่น จะมีเงินกี่ล้านบาทก็าตามถ้าผู้ปกครองเป็นคนทุกสีแล้วมันเอาไปเสียหมดนั่นนางหนึ่งมีเงินอยู่หลายล้านบาทไปเล่นเลขปดไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะจะเปลี่ยนผ้าลงอาบน้ำเลยตกลงก็ลงอาบพดทั้งตัวเลยตอนกลางคืนลงที่บ่อสะ รงลงที่สะหน้าอบายมุฒิมุข้ามุขะมันเป็นความเี็บหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากอะไรไม่โลกอยู่ทุกวันนี่ไฟอะไรไฟอบายมุฒิไม่โรคนะทีนี้ทุกวันนไม่ค่อยเห็นเด็กนักเรียนไหวพระเลยไม่เหมือนราชการไ ม, ไ, มไม่เมือไม่เมือนแก่าๆไม่เคยเห็นนักเรียนไหวพระ ทังสมมาสมบูทโทพราวามบทชารว า, ว า, วามังบวัติมิไม่เห็นเลยเออทีนี้ถ้าเราเป็นนกเป็นปลาก็เป็นนกเป็นปลาที่ฉลาดอย่าไปติดเบ็ดติดแล้วของนายผ่านที่โปวยเอาไว้เข้าใจไหมออถ้าพุทธศาสนาะไม่ให้จ้างไม่ได้จ้างคนให้นับถือให้มีสิทเอง ถ้าจ้างให้คนนับถือหมดตังมันก็ขบวตคืนนั่นนั่นต้องเห็นเองต้องปล่อยให้มีสิทธิ์เอง น, นัเอาแล้วนะยะถาวานิวาฮาภุราภริภูริติสากระังยโยมีวีตูทินังเปตานังโอุปกระปติอิจิตังมจิังตุมังคิปพเมวะตุมิสตูโอเคภุริตุสังกปาจันโทกนารโสยะถา มินีโขตะโสยธาสัิิโอยวะชนะสัพพุตุโสุโยตุโินทสุมาเตภวัตันตรายโยุขีติขายุปูพูอภิวัตนาสีนิชานิจังวัาพยายโูจัทตารธรรมาวัทจันติโยวันูสุขังภะที่นี่ท่านพูดว่าเดี๋ยวนี้จะมีสิ่งที่จะเรียนศึกษาว่า ในระหว่างตอนนี้ไปวันที่ยี่สบหกนี่เองเขาจะมาทอดกระถิ่นพวกแปดริ้วคนคงจะมามากไปนีไม่ต่ำกว่าพันละทีนี้หนทางของเรานะ่ะยุ่งเหยิงเต็มทียุ่งเหยิงเต็มทีแต่กรมตำรวจมานี่ไปจนถึงนี่แต่กรมตำรวจไปจนถึงบ้านโคกคงจะเป็นในระหว่างหกกิโลบ้างพอดีฝนมันตกพอดี ถ้าผลโยดนี้เราคงเข้ามาทําอะไรได้แล้วก็ขอให้ท่านพูดว่าทรงเมตตาดูบ้างครับผมเดี๋ยวเข้ามาจะขายหน้า <c oughs> เขามาวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่หกตุลาคมเขาจะมามาวันที่ยี่ห้าที่นี่ ขอให้ท่านผู้ว่าทราบพวก เ, เครื่องวิทยุนะมันไม่พอมันไม่พอกับความต้องการแล้วหลวงปู่ก็เลยทรงอนุญาตให้เอามูลค่าไปซื้อมาไว้สำหรับพวกนี้หนละไม่ได้ยึดถือหรอกแล้วเขาให้ทราร บ, รบและก็ในเวลาที่คนมามากมากคนที่มามากมาก ไม่รู้ว่ารถคันไหนคันไหนจะเหยียบกันตายเขาก็จะได้โทรถึงกันครับครับมันมีสองสาอันมันไม่พอกันใช่ไหมครับอันนี้ทางนายเผยจะดูหน่อยว่าทํางานให้มันถูกต้องนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าหลวงปู่มาเอาไว้สําหรับตัวไม่ถูกเนอะหลวงปู่เมตตาหลวงปู่เมตตาช่วยคช่วยสิช่วยช่วยช่วยช่วยรัดเนี่ย เดี๋ยวจะไปนินทาลงปู่ว่าพระผีบ้าอะไร